ตรงที่เผลอไปลืมกายลืมใจมีโมหะไนปะคิดไปแล้วเกิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาหมุนเวียนอยู่ถ้ามีสติอยู่ราคะาโทสะไม่มีทางเกิดเลยหรือถ้ามันเกิดนะขณะนั้นขาดสติมันเกิดเพอนุสัยความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดีของเรายังมีพอเผลอนะมันก็ปรุงกิเลสขึ้นมา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 ไม่มีพยาบาทวิตกนะมันก็ไม่มีโทสะงั้นถ้าไม่หลงไปคิดนะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะราค่าโทสะอะไรมันก็ไม่มีขึ้นมามนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่หลงแปมนจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่ตั้งมั่นจะหลงแล้ค่อยๆฝึกหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆให้สติเกิดสติเกิดขึ้นมานะ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 รรรรวิจัยธรรมะธรรมวิจัยยะมีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยยะงานวิจัยเราไม่ได้ไปต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยไม่จำเป็นเวลาเราจะวิจัยสมมติเราอยากสารวจทัศนคติของคนกรุงเทพต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้เทียบกับคนก่อนๆ อ, อยากสารวจตรงนี้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 ทัศนคติของคนหมื่นคนนี้มันแทนความเห็นของคนห้าล้านหล้านคนได้การเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ต้องเรียนรูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดมีเยอะรูปมีทั้ง28รูปนามมีตั้งเยอะแยะมีนามจิตหนึ่งนามเจตสิกอีก5้บสไม่ต้องเรียนทั้งหมดไม่ต้องเรียนสภาวะธรรมทั้งหมดเลยเสียเวลาเรียนเมื่อไหร่จะหมด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 ไม่ใช่เลือกตามใจชอบวิหารธรรมที่เราต้องใช้นะก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมาทเท่านั้นเองนะรูปธรรมนามธรรมานะไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรอกไม่จำเป็นนะรู้บางรูปพอพ อ, นะอย่างเวลาเราหายใจหายใจเราเห็นรูปเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมมันเย็น ไม่ใช่ออกมันร้อนอันนี้จะไปดูธาตุไฟจะดูยากเวลาเราเดินเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยขาเราจะแข็งขึ้นธาตุดินเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลายกเนี่ยธาตุดินล้นหลงเวลาก้าวไปนี่ธาตุลมเพิ่มขึ้นดูยากจะดูได้จริงนะถ้าไม่ทรงฌานจริงดูไม่ไหวลนะที่ธาตุกรรมฐานแท้แท้ซึ่งเป็นตัวรูปแท้แท้เว้นเวลารู้รูปส่วนมาก รู้แบบข้างๆเขียงๆไม่รู้รูปแท้ๆไม่ค่อยมีใครทําได้หรอกนะถ้าทําแล้วก็ประเภทจ้องอยู่ที่เท้านะยกแล้วก็รู้สึกน้องนี้หย่อนลงพยียบแล้วน่องเหยียบพื้นแล้วน้องตึงขึ้นจะมาบอกว่ารู้ธาตุดินมากธาตุดินน้อยไม่รู้จริงเพราะจิตเนี่ยจะต้องถลำลงไปจ้องอยู่ที่น้องใช่ไหมจิตไม่ตั้งมัน่นมันทําไม่ได้จริงอะ่ะหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครทําได้เลย มีแต่เพ่งกลายเป็นเพ่งกลายเป็นสมถะไปหมดแล้วงั้นรู้กายในกายอย่างง่ายๆนะเช่นรู้การหายใจในพระพุทธเจ้าสอนหายใจเข้าหายใจออกถามว่าเป็นรูปปรมัตแท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่ยังเจือด้วยบัญญัตินะหายใจเข้าหายใจออกนี่เจอือนี่หายใจเข้านี่หายใจออกเจืออยู่ แต่ว่าการทำให้เกิดสติเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวรูปปรมัตถ์แท้ๆไม่เหมือนขั้นทำให้เกิดปัญญานะขั้นทำให้เกิดปัญญาต้องรู้รูปแท้ๆขั้นทำให้เกิดสตินะรู้รูปไม่แท้ก็ได้รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปแท้อะไรเป็นรูปแท้แท้ก็ธาตุทั้งสี่นี่เป็นรูปแท้แท้เธาตุสี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 หายใจไปพอมันจะเคลิ้มนะก็เปลี่ยนจังหวะหายใจนิดนึงหายใจแล้วรู้สึกปไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เคยฝึกเจริญสติมานะเวลาตายแล้วไปเกิดใหม่นะมันลืมการเจริญสตินะแต่มันไม่ทิ้งร่องรอยที่มันเคยเดินมันไม่ไปเคลิ้มนานๆนะะพยายามวกเข้าหาความรู้สึกตัวอยู่ด้วยงั้นหายใจไปนะพอใจเคลิม้มพอจะขาสตินะหายใจให้มนมารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ แต่ว่าถามว่ารู้สึกตัวไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะแค่ว่ารักษาความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสติยังไม่ได้เรียนวิธีที่จะเจริญวิปัสสนาจนมาเจอหลวงปู่ดูลอายุตั้ง29แล้วนะทำสมถะอยู่22ปีทําไปเพื่อความมีสติไม่ใช่เพื่อความขาดสติทําไปให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ลืมเนะื้อลืมตัวเคลิมเคลอ้มงอกแงะงอกแงะ นะทำไปเพื่อจะคอยรู้สึกอยู่เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจไม่ให้หายไปไม่ใช่ทำไปเพื่อจะให้ไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกนะนี่ฝึกมาเรื่อยๆตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจวิ่งไปจะไปบอกพ่อวนะิ่งไปวิ่งไปสก้าสปั๊บสติเกิดเห็นจิตที่ตกใจนะนี่เราเคยฝึกมีสตินะ พอเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมันย้อนมาดูที่จิตได้เองตอนสิบขวบเสร็จแล้วลืมไปไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นวิธีทํำวิปัสสนาของเคยทําแล้วมันลืมนะอันนี้ที่หลวงพ่อพูดว่าของเคยทําไม่ใช่พูดเองนะหลวงพ่อพุทธท่านบอกหลวงพ่ออีจริงไปเล่าให้หลวงพ่อพุทธฟังนะว่าไฟไหม้วิ่งหนะึ่งสองสามตื่นขึ้นมาเลยจนมาหลังมาภาวนานะ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 มีปรัชนานีต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวแล้วนะมีสติไว้รู้สึกไปรู้สึกไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่เพลิไไพลนไปที่ไม่หลงไปนานเนืเพราะว่าฝึกมามีวิหารธรรมจิตเคลื่อนจากวิหารธรรมไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะอย่างบางคราวหลวงพ่อไปเล่นแบบหลวงพ่อเทียนบ้งเห็นก็เล่นก็เล่นบ้างขยับเนี้ยขยับขยับไปมีวันหนึ่ง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 เนินความรู้ความฉลาดอะไรบางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกข์น่นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิกูลเห็นอสุภะได้ไหมเห็นได้แต่ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะก็ข่มราคาได้เป็นสมถะ ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจนี้เท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นเลยอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรลั ก, ก เ, น, น, เ, น, เ น, น, นี่ย เ, เ, เห็นนั่นเดียวพอบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาในกายในใจนี้ใช้ได้แล้วเห็นนั่นเดียวแต่ต้องเห็นอยู่ในไตรลักเนี่ยอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาอันหนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกตัวแล้วอันนี้ทํำยังไงดีที่จะให้เกิดปัญญา การทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะเราไม่จงใจว่าจะรู้อะไรละไม่ใช่รู้อยู่ที่เครื่องอยู่อันเดียวละมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันเดียวนะเพื่อว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกเช่นหายใจแล้วจิตทิ้งลงหายใจไปรู้สึกอันนี้ทําให้มีสติเวลาหลงเราจะรู้ไวพารู้ตัวขึ้นมาก็จะรู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจเนี่ยพารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยบางขณะจิตจะระลึกรู้กาย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 นี่อยู่ในธรร ม, มานุปัสนาละเพราะฉั้นในธรร ม, มานุภัสนาเนี่ยจะเห็นกระบวนการทํางานของขันธ์ของกิเลสของขันธ์ของจิตอะรพวกนี้ไม่ใช่เห็นตัวสภาวะเป็นตัวตัวไม่เหมือนตอนกายเวทนาจิตนะนี่จะเห็นสภาวะเป็นตัวตัวตัวตอนธรรมเนี่ยจะเห็นกระบวนการทํางานของมันไม่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนะจะรู้ตัวกายเวทนาจิตก็ได้เสร็จแล้ ว, ว, ว an, มันจะ catalog, นเข้ามาที่ธรรมเอง ความประหลาดอยู่ตรงที่ว่าสติระลึกขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าเราเคยรู้ลมหายใจจนเกิดสติแล้วนะพอสติระลึกรูปนามขึ้นเองนะบางครั้งระลึกรู้รูปบางครั้งระลึกรู้เวทนาบางครั้งระลึกรู้จิตระลึกเองไม่มีอันเดียวไม่ใช่ว่าระลึกอยู่อันเดียวนะไม่ใช่ระลึกอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่พูดกันแล้วว่าใครปฏิบัติสายกายหรือสายจิต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 บางครั้งก็เห็นกระบวนการทํางานเช่นเห็นจิตวิ่งไปปุ๊บจิตก็เกิดสัญญาแปรปั๊บนี่คือนี้จิตเกิดตัดสินขึ้นมาเลยนี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชั่วนี่ไม่ชั่วนะนี่สุขนี่ทุกข์ให้ค่าขึ้นมาจิตให้ค่าขึ้นมาก็เกิดจิตที่เสวยอารมณ์ขึ้นมาเกิดจิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลขึ้นมานี่เห็นกระบวนการเห็นกระบวนการนี่เห็นทำทำมานุปัสสนาเห็นตัวกระบวนการ ถ้เห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะเรียกว่าเป็นหมวดสุดท้ายเลยนะเรื่อสัจจะบัพสัจจบัพในธรรมานุภัสนาทวนทั่วไปไม่ถึงเวลาจะเดินถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอราหารันต์เนี่ยจะเข้าไปตรงสัจจะบัพเนี่ยถ้าเห็นแจ้งอริยสัจนะถึงจะข้ามภพข้าชาติของเรายังไม่ถึงไม่ต้องกงังวลวันหนึ่งก็ถึงเดินทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจได้วันหนึ่งมันจะเข้าไปถึง สัตยบัตไปเห็นอริยสัตจนะพระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้ด้วยอะไรใครตอบได้นึกออกไหมตอนเด็กๆนะหลวงพ่อหนะ้าอ่านพุทธประวัติอ๋อพระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้ด้วยอาณาปานาสตินึกออกไหมท่านนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมทีแรกท่านไปทรมานกายแล้วไม่สําเร็จแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็มาจับที่ลมหายใจท่านนึกได้ว่าตอนเด็กๆ ตอนเด็กๆายุไม่เท่าไหร่นะพ่อพ่อของท่านพระเจ้าสุดโวทนาพาไปงานแรกนะแล้วก็ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านนั่งหายใจจิตทางท่านรวมรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี่ท่านมันตึกถึงสภาวะที่แห่งความรู้ตื่นรู้สึกตัวตอนนั้นขึ้นมาได้เอลองของเก่าท่านมาหายใจจิตทางท่านก็ตื่นขึ้นมาในพระสูตรเลยพูดเรื่องว่าท่านทําอานาปานสติ เราก็คิดว่าท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยการทําอนาปนสติเปล่าท่านบรรลุด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะทมานุปัสนาสติปัฏฐานในสัจจบักท่านเห็นอริยสัจอริยสัจที่ท่านเห็นลงรายละเอียดไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นี้เพราะฉะนั้นเวลาตรัสรู้นะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเห็นอริยสัจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะคนละเรื่องเลย แต่ก่อนหลวงพก็พนึกว่าท่านบนรรลุพอรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวตั้งต้นแล้วนั่นให้มีสติพอท่านมีสติแล้วนะท่านเจริญธรรมานุกัณนาบารมีท่านเยอะพวกเราไม่ถึงขั้นขนาด น, นั้นหรอกนะเอาไว้ตอนเป็นพระละหาันค่อยไปเจริญมันเจริญของมันเองแหละถ้าไม่เจริญก็คือไม่เป็นพระละหาันฉะนั้นเรามีสตินะเราเวลารู้กายทํำยังไง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 เวลาเราสัมผัสเนี่ยธาตุดินธาตุดินรู้ด้วยอะไรธาตุดินดินเนี่ยรู้ด้วยกายยาัสาวประสาททางกายทนธาตุลม ร, รู้ด้วยปราสาททางกายความไหวความตึงความไหวธาตุไฟรู้ด้วยปราสาททางกายอย่างเราสัมผัสไปรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ใช่มีแต่ความแข็งเยแต่ตรงนี้มีความเยน็นความร้อนด้วยรู้สึกไหม มีความตึงไหวเลือกตึงนี่ตึ ง, ตงนี่มีความไหวอันนี้สัมผัสด้วยกายประส า, าทธาตุน้ํารู้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นใครจะมาสัมผัสธาตุน้ําหาไม่เจอธาตุน้ําไม่ได้รู้ด้วยกายเพราะฉะนั้นเวลาลอาบน้ำไปปุ๊บปุ๊ปุปปนะ๊รู้สึกอุ้ยตัวอะไรวะไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเป็นอะไรอย่างหนึ่งแข็งแข็งเป็นท่อนๆเป็นแท่งแท่งนะเป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เห็นธาตุตัวจริงแล้วะเห็นไหมเห็นยากนะนานๆจะเห็นสักทีเงแต่ถ้าภาวนาสุดขีดไปจะเห็นเป็นธาตุตลอดเลยธรราตุทีไรเห็นแต่ธาตุไม่มีเราไม่มีเรารู้สึกลงไปเพรา้นที่พวกเราภาวนาบางคนอาบน้ําแล้วก็รู้สึกไม่มีเราสัมผัสลงไปไม่มีเรา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 พอโทสะเกิดขึ้นมานมาาาี่มีระยะทางที่โทสะเกิดมีระยะเวลาที่โทสะเกิดสติระลึกปั๊บเนี่ยมาต่อตรงนี้เลยเนี่ยระลึกเลยตรงสติระลึกปั๊บขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลว่าเมื่อกี้นี่มีโทสะนะมีโทสะแต่ถ้าโทสะเกิด because, เกิดเกิด<ๆ>มานี่นะแล้วก็เกิดอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วสติเกิดตรงนี้เนี่ยนะมีช่องว่างล้าา ม, มีระยะทางมีเวลามาขั้นแล้ไม่เรียกว่าปัจจุบันสันติละอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสนาละ เมื่อวานกโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่พิปัสนานะโกรธมาชั่วโมงหนึ่งแล้วยังยังโกรธอยู่นะโกรธมาชั่วโมงสติระลึกปั๊บขึ้นมาอย่างเนี้ระลึกขึ้นมาได้นี่กโกรธเมื่อกี้นี่กโกรธนะขณะนี้รู้สึกแล้วถัดจากนี้โกรธต่ออย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รู้สึกนี้อีกก็ได้นะไม่ใช่ว่าโกรธไปรู้สึกไปนี่โกรธอยู่อย่างนี้แล้วรู้สึกอยู่างนี้ด้วยไล่ไล่กันไปอันนี้ไม่ใช่นะ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 มารู้ว่าจิตเมื่อกี้เป็นไงเพราะจิตเกี้เนี่ยมันรู้อารมณ์ตัวอื่นสมมติว่าจิตตัวนี้มันรู้อารมณ์โกรธมันไม่ได้รู้อารมณ์โกรธนะมันไปรู้คนที่โกรธสมมุติว่าหลวงพ่อโกรธชมพูมากเลยเวลาเราโกรธใครเราจะไปเพ่งเล็งที่คนนั้นรู้สึกไหมเราโกรธใครเราจะคิดถึงคนนั้นเรารักใครเราก็จะคิดถึงคนนั้นเราจะลืมตัวเราเองเพราะฉะนั้นจิตในขณะที่ไปคิดถึงชมพูด้วยความเกลียดชังเครียดแค้นเนี่ย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 นั้นเวลาดูจิตนั้นจะดูตามหลังแบบดูติดติดไปเงี้ยดูติดติดนะสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้นะไม่ใช่รู้สภาวะรู้ไปคู่กันอย่างนีนะ้อย่างนี้ไม่ได้จริงหรอกนะของหลอกหลอกนั่นเราฝึกนะฝึกทีแรกก็มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งคอยตามรู้ไปเรื่อยนะ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 อโท ม, มนับเนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นนะนั้นเราไม่ใช่ว่าทุกตัวจะต้องไม่มีเลยเพราะงนั้นอุเบกขาก็ต้องดับด้วยอะไรอไรก็ดับด้วยรวมความไม่มีอะไรเหลือเลยนะพอสติเกิดแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลยนะไม่ใช่อกุศลนะอกุศลทั้งหลายนั้นะพอสติเกิดแล้วมันดับนะแตความสุขอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องดับหรนะอกะไปพอสมควรวันนี้ทําไมเรียนยากไปยากไหม มีรูปให้ดูได้นะเนี่ยอีกมีประกรอบอ้าวเชิญนิมนต์เลยครับนิมนต์